การประพฤติพรหมจรรย์นในพุทธศาสนามิใช่มีลาบสกาละและความสรนเสริญเป็นอานิสง์มิใช่มีความถึงพร้อมแห่งศีลเป็นอานิสง์มิใช่มีความถึงพร้อมแห่งสมาธิเป็นอานิสง์มิใช่มีญาณทัศนะเป็นอานิสง์พรหมจรรย์ น, นี้มีความหลุดพ้นแห่งใจอันไม่กลับกำเริบเป็นประโยชน์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 รอได้คอยได้ไม่เป็นไรไม่ต้องวิตกกังวลเนี่ยเรายังมีโอกาสอยู่เราใค่ทําต่อไปก็ได้เนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมต้องไม่เอาเรื่องเอาราวไม่ถือสาหาความเกิดอะไรขึ้นก็จะมีแต่ความให้อภยัยจะได้ไม่ต่อความยาวสาความยืดไม่ต่อเวรต่อกรรมให้อภยัยทาสิ่งที่ มากให้น้อยทำสิ่งที่ใหญ่ให้เล็กทำสิ่งที่ยากให้ง่ายอันนี้คืออุปนิสัยของผู้ปฏิบัติธรรมต้องไม่ค่อยยึดมั่นถือมั่นน่ยมีแต่ความปล่อยวางไม่ยึดมั่นยึดติดในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนักปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องไม่เป็นคนเจ้าทุกข์นะอะไรอะไรก็จะเป็นทุกข์ไปทั้งหมดเนี่ยก็แย่แล้วเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์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 เป็นเครื่องวัดได้สติเนี่ยที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือนักปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องมีอุปนิสัยไม่พิงโทษผู้อื่นไม่คอยจับตาดูผู้อื่นหรือค้นหาความผิดของผู้อื่นการค้นหาความผิดผู้อื่นหรือจับตาดูผู้อื่นเนี่ยทำให้เราไม่มีความสุขถ้าเราอยากจะมีความสุข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 จากกลุ่มพวกเสมอๆ อ, อย่าไปยิดมั่นถึงมันแบบนั้นอย่าทําตนแปลกแยกดูขัดเขินชีวิตเราจะไม่ชัดเจนอันนี้ถือว่าสําคัญนะบางทีเราทําเป็นแปลกแยกเข้ากับกลุ่มเข้ากับพวกไม่ได้เนี่ยดูขัดขัดเขินๆ เ, เนี่ยมันก็ไม่ใช่ชีวิตของเรานะีมันเป็นทิฏฐิมานะเป็นการสร้างภาพผลออกมาเราก็จะมีความทุกข์ เพราะใจเราไม่เป็นอิสระต้องคอยที่จะแปลกแย่เขาต่อต้านเขาอะไรเงี้ยนะใจเราก็จะไม่มีความสุขการพูดคุยเนี่ยโทษเป็นเรื่องปกตินะบางครั้งเราต้องพูดต้องคุยใครมาสักมาถามก็ต้องพูดคุยเขาตามธรรมดาคุยอย่างมีสติพูดอย่างมีสติไม่หลงลืมสติบางทีนักปฏิบัตินี่เขาพูดกับทาเป็นเฉย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 ใครพูดถูกแล้วก็ฟังได้ฟังได้ทั้งหมดเลยทำยังมีสติเนี่ยทำได้ทั้งหมดเลยอีกประการหนึ่งก็คือบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องดูจิตดูใจเราเข้าใจตัวเราเข้าใจจิตใจเราไม่เป็นคนที่หงุดหงิดอึดอัดรำคาญเสียงดังหน่อยก็ราคาญคนพลุกพล่านหน่อยก็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 เรต้องไปด้วยสติที่รู้เท่าทันเห็นว่าสมควรไปก็ไปเนี่ยไปด้วยสติไปเพราะว่าเห็นสมควรไม่ใช่ไปเพราะว่าไม่ชอบอันนี้ไม่ถูกต้องไม่ใช่นักปฏิบัติต้องอย่าลืมหลักธรรมคาสอนในสติปัฏฐานสี่ท่านกล่าวไว้ว่ามีความเพียรมีสติสัมปชัญญะถอนความรู้สึกว่า พอใจหรือไม่พอใจในโลกออกเสีได้คําว่าในโลกนั้นคือในจิตในใจนั่นเองในอารมณ์ต่างๆที่มากระทบสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเขาเรียกว่าอารมณ์มากระทบกับตาหูจมกกจูกลิ้นกายใจเนี่ยคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารลมอันนี้เรียกว่าอารมณ์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 ถอความพอใจไม่พอใจในโลกอดิเรกตรงนี้แนหะรักษาใจที่เป็นปกติมาไปแล้วนี่การปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะเรื่องการเจริญสติกูปประมาณคล้ายๆกับการเดินทางการเดินทางของเราเสมมุติว่าเราเดินไปในสวนเดินไปเรื่อยๆการเดินทางเนี่ย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 รู้เฉยๆแล้วก็ผ่านไปเนี่ยลักษณะแบบนี้เหมือนการเจริญสติเวลากระทบอารมณ์เกิดความพอใจไม่พอใจเราก็แค่รู้ไว้เฉยๆแล้วก็ปล่อยวางไปจิตจะบริสุทธิ์เนี่ยเรียกว่าถอนความพอใจไม่พอใจในโลกออกเสียได้ในโลกคือในจิตใจของเราเนี่นเองใจของเราคือโลกนะโลกคืออารมณ์ที่มากระทบเพราะฉะนั้น นักปฏิบัติเวลากระทบกับอารมณ์ต่างๆสูบแล้วก็มีความพอใจกับไม่พอใจต้องมีสติไม่ต้องหนีไม่ต้องสู้แต่ให้รู้เฉยๆนี่ลหละคือการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องและก็ดีงาม